ของโรวงพยาบาลศรีนครินตอนนี้เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะตั้งชื่อว่าจยไงไถ้าจะตั้งชื่อว่าหลวงปู่เทศเทศรังสีก็มีลูกศิษย์หลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัน่นหลวงตามหาบวมิหลายองค์ถ้าเราตั้งชื่อว่าหลวงปู่มั่นซะเพราะเป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานียดีไหมคะณะกรรมการทั้งหลายก็เห็นด้วย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 องค์ที่ท่านป่วยท่านก็ได้ฉันฉันอาหารในโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลเขาทําอาหารเลี้ยงผู้ป่วยแต่ผู้ติดตามป่วยนั่นแหะคือบางทีอาจจะมีพระหรือเนนมาเฝ้าป่วยองค์สององมาเฝ้าครูบาอาจารย์ของตนเององค์นั้นไปบินทบาทก็ไม่รู้จะบินทบาทที่ไหนศรัทธาญาติโยมก็ไม่รู้จะเอาอาหารมาเลี้ยงอย่างไร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 เกิดประโยชน์เหมือนกันถือยังไงใครจะเรียอะไรแผ่ขออย่างไงหลวงพ่อก็ยังดู้ดูรู้รู้อยู่ถ้าออกนอกลูก่นอกทางหลวงพ่อก็คงจะปรามได้เอาเอาชื่อหลวงพ่อออกขายก่อนก็นกนแล้วกันก็เลยตั้งชื่อว่ามโมนิเทพระอาจารย์อินถวายเพื่อดูแลสงอาพาธโรงพยาบาลอุดรธานีนะีอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่หลวงพ่อเองก็เลยพูดกับ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 ดูแลเรื่องรรั บ, บความสะดวกสบายจากโรงพยาบาลก็เสียเวลาพอสมกวรเพราะนั้นอาตมาเองเอยากจะขอร้องกับท่านผออนี่นะให้เป็นเขตเอาเชือกกั้นจะเอาเก้าอี้ให้พระสงฆ์ได้นั่งถ้าองค์ไหนเข้ามาแล้วก็ภิกษุสา ม, มเณรให้เป็นกุ่มเหมือนกับอยู่ในสนามบินนั่นนะมีเก้าอี้มีอะไรไม่ถึงกับหรูหราอะไรเก้าอี้ยางก็ได้มาให้ท่านได้นั่ง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 เพื่อเครื่องผ่าตัดด้วยความถี่สูงแต่เป็นบริษัทจอร์นสันประเทศไทยอันนี้ก็ซื้อให้เรียบร้อยแล้วนะล้านหกตัว น, นั้นนะชุมแพล้านหกสีนัคารินล้านเโรงพยาบาลศูนย์ล้านเจะฮะแปลว่าหลวงพ่อเองก็ได้ช่วยทางโรงพยาบาลคนณะทธา ญ, ญาติโยมโลูกหลานนะนี่แหละทางว่าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังพวกคณะทถ า, า, า ญ, ญาติโยมทั้งหลายงคงไม่รู้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 ร่วมกันคนละมากละน้อยเพื่อดูแลสงอาพาธเพราะพระุทธเจ้าท่านตรัสว่าดูก่อนสงทั้งหลายผู้ใดก็ตามอยากปฏิบัติเราตถาคตให้ปฏิบัติภิกษุไ่้ให้ดูแลภิกษุคข้อันนี้ก็คือพวกเราก็ะเด็ดแปลว่าได้ดูแลภิกษุค่้เพราะเราได้เสียสละจะตก ป, ปัจจัยเพื่อบำบหลวงพระพุทธศาสนาเพื่อ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 ในเมื่อมรณ น, นาภาพเสร็จแล้วพระองค์เขาว่าให้ไปไปเอาพระติดสระไปไปชมเพลงพอไปชมเสร็จเพลิงเสร็จแล้วพระองค์บอกว่าให้นํากระดูกพระติดสระไปไว้ในทางสีแพร่งให้คนได้กราบได้ไหว้อันนี้คือกระดูกพระหรหันท่านได้สําเร็จเป็นพระหรหันแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายก็สงสัยเอ๊ะทำไม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 พระเทระไม่ได้ฉันอาหารพรทั้งหลายวันเพร่อฝนตกพระเทระก็เยบอกว่าเอโยคมคนนี้ก็เออสาธุนะบุญของข้าพเจ้าที่ได้ถวายพระทหารในวันนี้บุญกุศลเมื่อท่านได้สําเร็จได้มรรคได้ผลอย่างไรท่านรู้แจ้งเห็นจริงอย่างไรก็ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้เห็นธรมอย่างที่ท่านได้รู้ได้เห็นด้วยทุกประการเทินพระเทระก็เออขอให้โยม